ก็เพราะว่าในโลกนี้สิ่งที่ไม่เกือกอ om, เก้อกูลต่อศรัทธามีมากกว่ญญาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลต่อวิริยะมีมากกว่าสิ่งที่ไม่เกื้อกูลต่อสติมีมากกว่าสิ่งที่ไม่เป็นอุปการะต่อสมาธิมีมากกว่าสิ่งที่ไม่เกื้อกูลต่อปัญญานี่มีมากกว่าอย่างเช่นศรัท ธ, ธาเนี่ยดูที่โสตาปฏิยังะธรรมสีประการ คือการโคบศัตบุรุษการฟังธรรมของศัตบุรุษการโยนิโสมนัสิการใคร่ครวญในพระธรรมปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตรธรรมถ้าพูดไปแล้วบุคคลที่ไม่ใช่สัตบุรุษมีมากกว่ า, อาขออภัยสัตบุรุษมีมากกว่าศัตบุรุษเพราะฉะนั้นฟังที่อคํำที่เราฟังจากบุคคลทั่วๆไปโดยมากจึงฟังคําของอาสัตบุรุษมากกว่าคำของศัตบุรุษเพราะฉะนั้น เมื่อฟังอสัตธร์ธรมโดยมากอย่างนี้อยโยนิสโสมนสิการก็เจริญเติบโตเมื่ออยโยนิสโสมนสิการเจริญเติบโตก็ปฏิบัติปฏิบัติตัวให้สมควรแก่ไปอบายซ ส, ส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ใช่ปฏิบัติตัวให้สมควรแก่การรู้แจ้งแทงตลอดโลกุตรธรรมทีนี้เมื่อเหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญศรัทธามันมีน้อยสัตทินสีจึงอ่อนกำลัง ทีนี้เหตุให้เกิดความเพียรก็มีน้อยเหตุที่จะทําให้ภาคเพียรในการเจริญกุศลมีน้อยเมื่อมีน้อยอกุศลก็คลุ้มรุมไอคําว่าเพียรในที่นี้ไม่ใช่หมายคำว่าอยู่นิ่งไม่เป็นนะคำว่าเพียรในที่นี้หมายถึงเพียรเจริญกุศลพัฒนากุศลเพิ่มพูนกุศลแล้วก็ตามรักษากุศลเพิ่มพูนกุศลไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเพียรแต่ถ้าทําสิ่งที่ตรงกันข้ามเรียกว่าอากุศลถึงจะขยันมาก แต่ว่ากุศลไม่เพิ่มอันนี้ก็เรียกว่าคนเกียจคร้านสมัยพุทธกาลก็มีพระภิกษุบางรูปภิกษุรูปนี้เนี่ยนะท่านไปบาเพ็ญเพียรอยู่ที่ที่ป่ารูปหนึ่งเนี่ยท่านเจริญกุศลธรรมเนี่ยตามการเวลาที่เหมาะสมท่านแบ่งเวลาถูกเวลานี้ควรเจริญกุศลเช่นกลางวันแบ่งออกเท่าไหร่ควรเจริญกุศลอย่างไรให้ต่อเนื่องอย่างไร และกลางคืนท่านควรจะพักผ่อนช่วงไหนเจริญกรรมฐานช่วงไหนอะไรยังไงท่านก็ปฏิบัติอยู่ไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีน่นี้มีอีกรูปหนึ่งเหมือนกันไม่ค่อยหลับค่อยนอนเลยจุดไฟผิงสนทนาเดราชากระถาอยู่เกือบทั้งคืนนนะพอรูปนี้ตื่นมาเจริญกรรมฐานต่อรูปนี้ค่อยไปนอนสักหน่อยนึงนะ ฟุ้งอยู่ทั้งคืนกลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นไฟอยู่นั่นแหละพวกนี้ก็เลยเรียกว่าคนเกียดครานในสายตาพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเหล่านี้คือคนเกียร์ครานที่เรียกว่าเกียร์ครานเพราะไม่เจริญง่อ ง, งามด้วยกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมได้น้อยและไม่ต่อเนื่องไม่เพิ่มพูนไม่พอกพูนไม่พัฒนากุศลให้เจริญ ย, ยิย่งขึ้นไปเรียกว่าคนเกียร์คราน บางคนก็จริงนะไม่เคยตั้งตั้งอตั้งความปรารถนาตั้งอุปนิสัยไว้เลยว่าตัวเองจะเจริญกุศลแค่ไหนอย่างไรในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยนะไม่เคยตั้งไว้เลยว่ากุศลนี่ควรจะเจริญเติบโตแค่ไหนไม่มีการตั้งเป้าเลยใช่ไหมเว้นไวแต่เรื่องวัตถุนะในสภาพจิตของตัวเองจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรควรจะตั้งเป้าว่าปีนี้ควรจะกุศ ล, ลจิตเกิดกี่ชั่วโมงดีปีหนึ่งมีกี่วัน 365วันใน365วันมีกี่ชั่วโมงอะนะโอหลายร้อยชั่วโมงเลยเป็นพันชั่วโมงแล้วปีนี้ขอบุญให้กุศลจิตเกิดต่อเนื่องกันสักกี่ชั่วโมงดีหรือไม่อะไรนะกี่ชั่วโมงดีวันหนึ่งมี2ีเอานี้ก็คนะิดอยากไกลเกินไปเอานี้วันหนึ่งมี 24, ม24ชั่วโมงให้จิตเป็นบุญวันละเท่าไหร่5้านาทีโอ้ยน้อยไปเนาะสิชั่วโมง ยี 20, อะไรหชั่วโมงอ๋อ oh, วันหนึ่งห้าชั่วโมงเลยนะใช่หชั่วโมงใช่หลับไปอีก8ดชั่วโมงนะได้ที่ตื่นขึ้นมานี่ก็แบ่งอกุศลอีกอย่างหนึ่งนะแบ่งเป็นอะไรนะกุศลอกุศลเนะนี่ยอภยกตะเนี่ยนะที่แน่ๆเ น, นี่อยอภยกตะเอาไปแล้ว8ดชั่วโมงเป็นต้นนะบางเพื่อที่หลับเยอะหน่อยนะอภยกตะนี่เอาไปเยอะแล้วล่ะทีนี้ กุศลกับอกุศลก็มาแบ่งกันดูว่าอันไหนจะมากกว่ากันแล้วทีนี้ถ้ากุศลเกิดเยอะแล้วถามว่าคุณภาพของกุศลเอาแค่ไหนดีตั้งคุณภาพกุศลว่าโสมนัสประกอบหรือไม่โสมนัส ป, ประกอบประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกหรือสสังขาริกเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิถ้าอัปปนา ร, ระดับปฐมฌานทุติยฌานหรือตติยฌานจตุทฌานเนี่ยก็มาวัดคุณภาพกันดู แล้วก็ถามว่าอา้าถ้ายังไม่เกิดมีการตั้งตั้งเป้าหมายแค่ไหนมีการสมาทานอธิษฐานเพิ่มพูนมากเพียงใดเนี่ยนะถ้าหากว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจน เ, เข้าใจวิธีการเจริญที่ถูกต้องแล้วก็พอกพูนไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าคนมีความเพียรนะผู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างนี้ก็เพียรได้ถูกต้องแต่ที่สาคัญก็คือผู้ที่มีปัญญา ผู้ที่มีปัญญาจะรู้ว่าศรัทธาจะเจริญได้อย่างไรผู้ที่มีปัญญาจะรู้ว่าความภาพเพียรเนี่ยจะเจริญได้อย่างไรสติจะเจริญได้อย่างไรสมาธิจะเจริญได้อย่างไรเป็นต้นก็ด้วยอนุภาพของปัญญาพระพุทธเจ้านี่อย่างรู้หมดว่าอินทรีย์ของสัสตว์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรและพระธรรมเทศนาควรจะย่อควรจะปานกลางเท่าไรเนี่ยนะควรจะแสดงแค่ไหนที่ไหนเมื่อไร i, อย่างไรเป็นต้น เขมาเคยมาคิดเอาเองนะว่าพระพุทธเจ้าก็มีฤทธิ์มากมายทําไมไม่เกณฑ์ให้คนมารวมกันสัทีเดียวให้หมดเลยแล้วก็เทศสักทีเดียวก็จบเลยใช่ไหมอันนี้คิดแบบเราอันนี้คิดแบบเราถ้าถ้าพูดแบบนี้เนี่ยนะก็เหมือนกับว่าในในบรรดาต้นมะม่วงเนี่ยที่มันมีแบบอะไรนะในมะม่วงต้นหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งลูกอ่อนอมีทั้งดอกมีทั้งลูกเม็ดเล็กๆ มีทั้งลูกโตกว่านั้นมีทั้งลูกที่ยังไม่ค่อยแก่แล้วก็ลูกที่แก่แล้วก็มีลูกที่สุกเป็นต้นไอ้ตัวที่รับประทานได้เนี่ยที่อร่อยก็กลูกที่สุกดีใช่ไหมมัมีหลายรุ่นมีหลายขนาดมีหลายระดับเพราะฉะนั้นคิดแบบเราก็บอกว่าโค่นต้นมะม่วงซะทีเดียวแล้วก็เก็บให้หมดทีเดียวนะอันนี้คือคิดแบบเรานะคิดแบบแบบแบบเราที่มันไม่ฉลาดอะไรเนี่ยนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์สามเลือกสอยเก็บเอาแต่ลูกที่สุกๆที่เหมาะสม จึงสำเร็จประโยชน์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดในการใช้คนเพราะองค์ยังไม่เกณฑ์เอาคนมาใช้งานทั้งหมดดีไม่ดีไม่ได้งานด้วยซ้ำไปพระองค์ก็คัดคนเป็นว่าใครเหมาะสมที่จะทำอะไรในเรื่องอะไรชั้นใดพระองค์นี้เข้าใจวิธีว่าหมูสัตว์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของเขาแก่กล้าหรืออ่อนเพียงใดพระองค์ก็สามารถที่จะแนะนาพระธรรมให้เหมาะสมกับ อธยาสายต่อสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นจึงมีการตรัสรู้แต่ว่าคำถามที่คาที่พูดว่าคนไม่มาประชุมกันเยอะๆอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามีมหาสมัยอยู่สมัยที่เทวดาและมนุษย์ประชุมกันมากอย่างเช่นมหาสมัยคือสมัยที่มีการประชุมใหญ่สมัยที่มีการประชุมใหญ่นี่มีอะไรบ้างเช่น ตอนที่พระองค์ไปที่เมืองราชครกเนี่ยนะนั้นก็มีการประชุมใหญ่ตั้งหลายครั้งด้วยกันเป็นการประชุมชนิดที่เรียกว่าเป็นทีและเป็นหมื่นๆคนเนี่ยนะไปเมืองภัยสาลีก็ประชุมกันเป็นแสนแสนคนไปที่เมืองสาวัตถีก็มีการประชุมเป็นหลายล้านคนเนี่ยนะก็ประชุมใหญ่ๆก็มีเยอะเนี่ยนะท่านพระองค์ก็ช่วยทั้งแบบ อะไรนะทั้งคนแบบหมู่น้อยคนสองคนคนสิบคน2ี่คนร้อยค น, คนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนหรือหลายๆ10บล้านคนหรือเป็นโกดๆเป็นต้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมได้กับคนทุกกลุ่มทุกหนทุกแห่งอันนี้หมายถึงว่าแสดงให้คนที่มีอุปนิสัยมีวาสนาฟังอะนะคนที่มีบุญพร้อมที่จะตรัสรู้สา ม, มารถที่จะเจริญกุศลธรรมทั้งหลายได้ แต่ก็ไม่ใช่น้อยนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธออยากเข้าไปหาเรานะเว้นแต่คนส่งอาหารเราจะหลีกเล้นสามเดือนอย่างเงี้ยบางช่วงนี้ก็แสดงว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไม่มีคนที่คู่ควรแก่การสงเคราะห์พระองค์ก็หลีกเล้นซะส่วนใหญ่เนี่ยนะก็เข้าสมาบัติพิจารณาทำไปสมเดือนติดๆกันอย่างเงี้ยบางทีไม่ไหวจริงๆก็ไปอยู่กับลิงกับช้างเหมือนกันนี พระพุทธเจ้านั้นแสดงอาทิปัญญาสิกขาแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าคือผู้ที่มีปัญญามากอยู่แล้วก็แสดงแต่อาทิปัญญาสิกขาอาทิปัญญาสิกขาก็คืออะไรเน้นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนะแสดงอาทิจิตสิกขาแก่ผู้ที่มีอินทรีย์ปานกลางก็คือแสดงสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแสดงอาทิศีละสิกขาแก่ผู้ที่มี C, อนินทรีย์อ่อนนะเขาบอกว่า แรกๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ค่อยได้บัญญัติพระวินัยเลยเนี่ยรุ่นแรกๆจริงๆเนี่ยนะอย่างพระอัญญาโกนธัญญะเนี่ยกลมกลมปัญจวักคีกล่มพัทธวักคีกล่มเฉเดนสามพี่น้องตอนนั้นยังไม่มีสิกขาบทบัญญัติแม้แต่สิกขาบทเดียวแม้กระทั่งอะไรนะที่มาประชุมกันแรกตรัสรู้ใหม่ๆแม้กระทั่งกลุ่มเอหีพิกคุอุปสัมปทาทั้งหลายกลุ่มเหล่านั้นไม่มีพระวินัยอยู่เลย ไม่มีไม่มีการประกาศวัดสัมมาวาจาเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นศีลของเธออันนี้เป็นศีลของเธอเป็นต้นแทบจะไม่แสดงเลยเพราะอะไรเพราะเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าอยู่แล้วเป็นกลุ่มที่มีอินทรีย์แก่กล้าและตามกลางเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกๆนี่จะไม่ลงรายละเอียดมากนะักบอกว่าเธออย่าทำความชั่วทางกายวาจาและใจอันนี้ท่านเข้าใจแล้วว่าแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะท่านก็ปฏิบัติตามไม่นานเท่าไหร่ก็ ตรัสสรุแต่คนยุคหลังมาก็ต้องมาแจงเป็นข้อเป็นข้อพระมหากระสปะนสัมนวนพูดแบบสัมนวนภาษาไทยบอกพระมหากระสปะนี่งงเลยพระมหากระสปะนี่เข้าไปแจกอ่าไปสนไปกล่าวกับพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อก่อนนะสิกขาบทบัญญัติก็มีน้อยผู้ตรัสรู้มักผลก็มีมากแต่สมัยนี้สิกขาบทมีมากแต่ผู้ที่บรรลุมักผลอ่ะมีน้อยทําไมเป็นอย่างนั้นเห็นไหม ก็อย่างว่าผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยนะเขารียกว่ายุคต้นๆยุคแรกๆเขาเหล่านั้นสั่งสมบารมีมาเป็นอสงไขามาเป็นแสนกับทั้งนั้นเขาก็ตรัสรู้ได้เร็วๆพวกกลุ่มหลังๆมาเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มกลับแรกอย่างเงี้ยใช่ไหอ้เริ่มกลับแรกเนี่ยปัญหาก็ดีนะสังเวยว่าสั่งสมมาพระพุทธเจ้ามาหลายองแล้วไอ้ที่สําคัญเพิ่งมาเริ่มพระพุทธเจ้าองค์นี้นี่สิเพิ่งมาตั้งความปรารถนาเนี่ยนะโอ้ถ้าอย่างงี้มันจะอ่อนขนาดไหนนาะเนี่ยนะ ยอมบอกว่าเละเลยเหลวเลยนะกว่าเมื่อไหร่นะกว่าจะปั้นนะ้ำมาเป็นตัวันเอาไปเข้าโรงน้ำแข็งก็แล้วกันอบไปเลยยานข้อนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปโดยเหตุโดยฐานะโดยไม่มีขอบเขตบุคคลนี้ถึงภูมินี้และภาวนานี้ด้วยคำสั่งสอนนี้ในเวลาเช้า พระพุทธเจ้าบอกถูกเลยนะว่าเขาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันเช้านี่แหละอันใดอันนันอย่างที่พระจุลบันทกนะพระจูลบันทกจะบรรลุเป็นพระอาหารเช้านี้แหละนั่นคือเราว่ากําหนดเวลาได้เลยพระองค์รู้นะเวลาไหนใครจะบรรลุอะไรแค่ไหนอย่างไรเมื่อไรเนี่ยนะบางองค์ี่ต้องบรรลุก่อนเพลนบางองค์ต้องบรรลุหลังเพลนบางองค์ต้องบรรลุตอนเช้าบรรลุตอนเย็นบรรลุตอนค่าบรรลุตอนดึกบรรลุใกล้สว่างบรรลุยามฝนตกเป็นต้น อันนะ่ะเขาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันช่วงนี้บรรลุเป็นพระสกะทาคามีช่วงนี้บรรลุเป็นพระนาคามีช่วงนี้บรรลุเป็นผ้าอาหารช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นต้นของเราเนี่ยมันรุ่นลูกกัมพล์เนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นหมอที่เรียกว่ามีแต่ตัวยาเหลือไว้ให้หมอใหญ่ก็ไม่อยู่แล้วเช่นกนะก็เลยไม่รู้ว่าโรคของผมจะหายเมื่อไหร่ครับหมอเนี่นะเลยพูดไม่ได้เนี่ยนะหายเมื่อไหร่หายไม่นี่ก็ อ, อ่านเนี่ก็อบอกว่าคนไข้ด้วยกันก็บอกคุณก็อ่านฉลาก ศึกษาให้ดีๆนะอ่านฉลากศึกษาให้ดีๆแล้วก็กินตามขนาดนะคุณหายนี่นะก็มาให้กําลังใจกันเองกันนะ็เรียกว่าคนพวกคนไข้ในโรงพยาบาลด้วยกันเนี่ยนะช่วยกันรักษาบ้างเอายาพิษแจกกันดื่มบ้างอะไรบ้างสลับเคล้ า, ากันไปเนี่ยนะไอ้ที่หายก็เกือบจะหายไอ้ที่เกือบจะหายก็มาเป็นหนักกับเดิมเป็นต้นเนี่ยก็เอาอย่างนี้แหละมันทํายังไงได้มาเกิดยุคนี้ไปแล้วว่ะไปโทษใครก็โทษกรรมของตัวเองนะตอนทําอาคุศสก็ไม่เห็นโทษใครนะ ก็อย่างที่เวลาที่เราไปเป็นอกุศลใช่ไหมไปทําเรื่องเรื่อยเปื่อยทั่วไปเรื่องไม่เป็นเรื่องเราเคยโทษตัวเองไหมทําไมเราช่างประมาทเช่นนี้ชีวิตของเจ้าเป็นชีวิตที่เปล่าเลยนะเป็นชีวิตที่เป็นมันเป็นชีวิตที่ไม่มีประโยชน์น้อยนักที่จะตำหนิตัวเองเอ้ยฉันมีเหตุผลนะที่ฉันเป็นอกุศลเนี่ยนะมีข้ออ้างมีเหตุผลอธิบายได้หมดอะ่ะเชื่อนะก็หลายๆคนเวลาไม่ฟังทำอธิบายได้หมดเลยนะยาวเลยนะเอามาไม่ถามหรอกทาอะไรมาของใครกับของใครอะไรอย่างนะี้ เรื่องอะไรเราจะไปป่วยกับคนอื่นใช่ไหมั <c oughs> น, นลงเรื่องลาหยุดก็นไม่ผามหรอกไปทำอะไร <c oughs> แต่ลงเรงก็มารายงานให้ฟังงนันทําใจกันแล้วกันลงเรื่องก็รับวิบากเอากันแล้วกันถ้าสิ่งที่เป็นบุญก็ให้ผลเป็นสุขอยู่แล้วถ้าสิ่งที่เป็นอกุศลล่ะ <c oughs> ของไผ่กับของไผ่ถ้าบุญอนุโมทนาด้วยนะอย่างงี้นะพระองค์เนี่ยถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์จะรู้นะรู้ว่าผู้ใดมีอัธยาสัยอย่างไร ฟังทำแล้วจะบรรลุที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรพระองค์รู้หมดเลยขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์รู้รู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอ่าทวนนะว่าอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายบางคนเนี่ยกามมาสยบางคนเนี่ยเนฆามมาสยเอาไว้ก่อนผู้ที่จะบรรลุเขามีอัธยาศัยหผู้ที่จะบรรลุธรรมนะมีอัธยาศัย6ประการถ้ามีอัธยาศัย6ประการได้ก็บรรลุได้ อัธยาศัย6ประการเป็นฉนัหนึ่งอะโลภัธยาศัยสอโทสัธยาศัยสามอโมหัตยาศัย 4. เนคขมัตยาศัย5วิเวกัตยาศัยแล้วก็หนิสระนัธยาศัยถ้ามีอัธยาศัย6ประการเหล่านี้ก็คู่ควรแก่การตรัสรู้แต่ว่าอัธยาศัยของสัตว์ในโลกวิจิตเหลือเกินบางคนเป็นกามัตยาศัยใจหมกมุ่นไปในเรื่องกามเพราะนั่นการไปฉุดออกจากกามนี่ไม่ใช่เป็นของง่าย เหมือนกับกําลังไปแย่งบริโภคอะไรบางอย่างนี่ไปบอกเลิกเธอะเลิกเธอแหมไม่ได้บางพวกเป็นเนคคำมัทยาใัยบางพวกเนี่ยนะถ้าเขาไปเจอในสิ่งที่เขาชอบใจเนี่ยนะเช่นอะไรนะไปเจอเหตุการณ์ที่เขาชอบใจเนี่ยฆ่าให้ตายก็ไม่มาฟังธรรมนะฆ่าให้ตายยังไงก็ไม่ฟังธรรมเพราะมันติดใจกับสิ่งเหล่านั้นนั้นมากแต่บางคนนี่เนคคำมัทธยาใั่เนี่ยนะถึงตายก็ไม่ยอมเลิกฟังธรรม บางพวกนี้เป็นอย่างนี้คือคือคำว่าเนคข ม, มัตยาสัยหมายถึงคนที่มีจิตใจเป็นไปกับกุศลเขาสามารถทําใจให้เป็นไปกับกุศลพันจะโดยประการใดๆเขาก็เลิกเจริญกุศลไม่ได้พวกนี้เป็นพวกเนคข ม, มัทยาสายัยพวกกา ม, มัทยาสัยพูดยังไงก็ไม่เจริญกุศลมีเหตุผลจนไม่ต้องเจริญกุศลนะถ้าพวกเนคข ม, มัตยาสายัยนะจะด้วยเหตุผลใดต้องรีบเจริญกุศล ยิ่งงานยุ่งมากยิ่งทํากุศลได้มากคำว่างั้นพวกนี้จะหาเหตุจนได้เจริญกุศลถ้าพวกกามมัธยาศัยอธิบายได้หมดที่เขาไม่ทํากุศลเพราะอะไรนะโอ้ยชี้แจงเล่าซะยาวเลยนะเว้นไว้แต่พระเจ้เทศให้ฟังเริ่มมีธุระแล้วอย่างไงมาณนี้เจอบ่อยบ่อยเนี่ย น, นะตอนหลังก็ไม่ค่อยอยากเจอหน้าใครแล้วนะที่เขาเล่าธุระของเข้าเรื่องไม่เป็นเรื่องนะยา ยาวเรื่องไม่เด็กเกี่ยวอะไรกับอริยสัจแม้แต่นิดเดียวนะเว้นไว้แต่ฟังให้มันเป็นทุกขสัจแค่นั้นนะพอจะเป็นไปได้ฟังให้เป็นทุกขสมมูทัยนะเพราะไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดมันก็มีทุกขสมมูทยัยทุกขสมมูทัยอยู่แค่นั้นแหละก็มีแต่เรื่องอะไรมีเรื่องโลภะโทสะโมหะเรื่องเครียดวิตกกงังวลเรื่องวุ่นวายทั้งหลายแหละเนี่ยนะแต่พอเราจะบอกอริยสัจบ้างนะก็ดูนาฬิกาบอว่าได้เวลาแล้วว่างั้นมีนัดมีนัดอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละ ก็ดูว่ามันอัธยาศัยกลุ่มไหนนะว่ากามมัธยาสัยหรือว่าเนคข ม, มัธยาสายัยบางคนเนี่ยอัพพยาบาททะยสาสัยกับบางกลุ่มนี่ยพยาบาทอัธยาศัยมักไปในความกโกรธกับมักมีเมตตาเนี่ยนะก็แบ่งเป็นสองกลุ่มเนี่ยนะพว ก, กโกรธบ่อยๆกับได้เหตุปัจจัยอะไรก็ไม่ยอมกโกรธพวกนี้ก็เรียกว่าพวกขี้โกรธเรียกว่าพยาบาททยาศัยพวกไม่โกรธก็เรียกว่าอัพ อัพยาบาทหรือที่เรียกว่าอโทสะนั่นเองบางพวกก็ทีนะมิทธะอัทย า, ายัยว่านิ่งก็เป็นหลับทุกทีไปเนี่ยนะกับพวกอะโลกัทยาศัยพวกไม่ยอมหลับยอมนอนเลยนะพวกการมัตทยาัยก็คือพวกอัทยาศัยหนักไปทางโลภะพยาบาททยาัยก็อัทยาศัยหนักไปทางโทสะทีนะมิทธะทยาัยก็มากไปทางโมหะส่วนเนคามัตทยาัยก็คืออะโลภะอัพยาบาททยาัยก็เป็น อโทสะแล้วก็อโลกาสัญญาพวกนี้ก็หนักไปทางโมหะอันนี้ก็อีกอัธยาศัยอีกอันหนึ่งคืออัธยาศัยเป็นสัมมาทิฐิกับมิจฉาทิฐิเนี่ยนะพวกมิจฉาทิฐิทั้งหลายก็แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มอุเชธทิฐิกับกลุ่มสัสตาทิฐิสัสตาทิฐิก็แบ่งออกเป็นกระจายไปอีกอุเชทาทิฐิก็กระจายไปอีกนะ สัสถาทิฐิอุเชธทิฏฐิเนี่ยเป็นสกายะทิฐิ20สิบกายะทิฏฐิยี่ก็กระจายไปเป็นทิฐิ62อันนี้คือกลุ่มพวกสายมิจฉาทิฐิอันนี้ก็อัธยาศัยหนักไปทางมิจฉาทิฐิกับอัธยาศัยที่ทางสัมมาทิฏฐิไอ้อัธยาศัยที่เป็นไปทางสัมมาทิฏฐิบางพวกก็กลุ่มกรรมสกตาสัมมาทิฐิบางพวกก็ ยะถาภูตยานและทัศนะสงยิ่งไปกว่านั้นก็เป็นพวกอนุโลมขันติยานคือวิปัสนาญาณทั้งหลายนะบางพวกก็มีอัธยาศัยอย่างนั้นนั้นคําบางคําที่บอกว่าแล้วแต่อัธยาศัยนี้บางทีก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้หมายคำว่าถ้าอัธยาศัยเป็นเนกขมัธยาศัยอัพยาปาทัธยาศัยอโลกัตยาศัยอัธยาศัยเป็นสัมมาทิฏฐิอโมหัธยาศัยวิเวกัตยาศัยนิสรณัธยาศัย ถ้าอัธยาศัยแบบนี้นะแล้วแต่อัธยาศัยดีแล้วเจริญดีแล้วแต่ถ้าขี้โกรธอย่างเงี้ยนะอัธยาศัยนี้ไม่ดีต้องแก้ไขเนี่ยนะถ้าขี้โลภมักโลภอัธยาศัยนี้ก็ไม่ดีต้องแก้ไขมักง่วงอัธยาศัยนี้ไม่ดีก็ต้องแก้ไขมิจฉาทิฏฐิอัธยาศัยเหล่านี้ก็ต้องแก้ไขไม่ใช่ตามอัธยาศัยไปทุกเรื่องอะนะไม่เชื่อก็ให้เป็นแม่มีลูกว่าสิบคนใช่ไห ม, มลูกคนที่หนึ่งบอกว่ามักนอนก็นอนไปเถอะลูก ลูกคนหนึ่งมักเที่ยวกับตามใจลูกก็แล้วกันตามใจตามใจตามใจตามแต่อัธยาศัยของลูกนะท่าลูกชอบยาก็ไปดมยาถ้าลูกชอบสูบ ก, ก็ไปสูบเป็นต้นนะส่งเสริมอัธยาศัยทุกอัธยาศัยอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้านเมืองโวดวร์วานแน่เนี่นะนั้นคำว่าตามอัธยาศัยหมายคำว่าถ้าอัธยาศัยดีอยู่แล้วตามเธอส่งเสริมไปเธอเพิ่มบูญไปเธอถ้าอัธยาศัยไม่ดีอัธยาศัยเรวๆแก้ได้ก็รีบแก้เธอ ถ้าไม่แก้อะไรจะเกิดขึ้นก็อย่างว่านะถ้าไม่แก้ก็แล้วใครจะไปว่าอะไรเขาเอาเขาก็รับผิดชอบตัวเขาเองแหละนะอัธยาศัยนั่นแหละคืออนุสัยมันเกิดบ่อยอะ่ะเพราะคําว่าอนุสัยหมายถึงอะไรกิเลสที่ยังละไม่ได้แล้วก็กิเลสที่มีกําลังพอไม่ได้ปัจจัยพับเอาเข้าทันทีเลยนั่นแหละเรียกว่าอนุสัยเพรา ะ, ะอัธยาศัยนั่นแหละคืออนุสัย มันพระพุทธเจ้านี่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของเขาจะรู้จริตรู้อัธยาศัยรู้อนุสัยและก็รู้อัธยาศัยรู้ทั้งหมดเลยนะรู้จนจนสามารถจะช่วยเขาให้บรรลุมรรคผลได้สําหรับผู้ที่มีวาสนามีบา ร, รมีก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าช่วยได้กับคนที่มีทุลีในกิเลสทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอัธยาศัยที่พอจะบรรลุได้มีวาสนามีอุปนิสัยที่จะ บรรลุได้ถ้าเขาไม่มีวาสนาไม่มีอุปนิสัยจะไปทําอะไรพระพุทธเจ้าสอนทำตามอัธยาศัยที่เขาเคยสั่งสมมานะแต่ถ้าเขาไม่เคยสั่งสมมาพระพุทธเจ้าก็ปลูกฝังอัธยาศัยให้เขาพันเขาบอกว่าผู้ที่เงียโสดลงฟังก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยมีอุปนิสัยพันก็พวกนี้ก็เป็นวาสนาต่อไปข้างหน้าต่อไปในอนาคตเดี๋ยวเราเรียนข้างหน้าว่าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอะไร เป็นวาสนาภาคยะก็มีเป็นอาเสฆะภาคยะก็มีเป็นเสฆะภาคยะเป็นต้นก็มีก็คือพระองค์เนี่ยแสดงตามความเหมาะสมสรุปในญานะนี้ ค, ian, คืออินเดียะโปรปรบยติยานคือยานที่ยังรู้ความแตกต่างกันแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่าอินทรีย์แก่กล้าหรืออินทรีย์อ่อนนะของสัตว์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐหรือเป็นสัตว์ที่ ตกต่ำเนี่ยนะว่าเป็นสัตว์ประเสริฐหรือสัตว์ตกต่ําส่วนญาณนะอีกต่อไปก็คือปุเพนิวาสานุสติญาณที่เป็นทศพลยานเป็นญานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าพระองค์นี่อย่งอางระลึกถึงปุเพนิวาดขันที่เคยอาศัยอยู่ในกลางก่อรคือพระองค์สา ม, มารถระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติไอคําว่าชาตินี่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดท่านบอกว่าปฏิสนธิมูลังก็คือ จุติปริโยสานังเอาปฏิสนธิเป็นมูลแล้วก็จุติเป็นอันดับสุดท้ายเรียกว่า1ชาติหนึ่งชาติก็คือนับที่ปฏิสนธิแล้วจบลงที่จุติเนี่ยนะอันนี้เรียกว่า1ชาติองค์สามารถระลึกได้หนึ่งชาติ2ชาติ3ามชาติ4ี่ชาติ5ชาติ10 20 30 40 50าาสิบชาติร้อชาติพันชาติหมื่นชาติแ 0,000 นชาติ หลายแสนชาตินี่นะตลอดสังวัตตกับวิวัตตกับเป็นอันมากหลายสังวัตตกับวิวัตตกับเป็นอันมากพระองค์ย่อมระลึกได้อย่างนี้เนี่ยนะในระลึกอย่างนี้สิ่งที่พระองค์ระลึกในอดีตไม่ว่าจะเป็นภพใดก็ตามเกิดในกำเนิดใดก็ตามเกิดในคติใดก็ตามเกิดในวิญญาณถิติใดก็ตามสัตตาวาสใดก็ตามสัตตานิกายคือมูสัตเหล่าใดก็ตามว่าในภพนั้นเนี่ย นะคำว่าพบเนี่ยยกเป็นตัวอย่างนะว่าพบกำเนิดคติวิญญาณทิติสัตวะและสัตตานิกายนะว่าในพบนั้นท่านผู้นั้นหรือเราเนี่ยมีชื่ออย่างนั้น